พระพิสารพัฒนาธรท้าวรจิตะท้าวโรวัดประทุมนารามกรุงเทพมหานครเสนอสารธรรมจากบทภรัณฑ์ของวสิ์อินทศ ร, รัเรื่องพุทธจริยา ชานามิชานามิท่านพยายามท่านพยายามท่านพยายามทำไมเรารู้เรารู้ท่านให้มนุษย์นั้นท่องจลับไปกลับมาไม่น้อยกวร้อยเที่ยวจำได้แน่นะท่านถามเพื่อความแน่ใจจำได้แน่ครับต้องท่องบ่อยๆทุกๆโอกาสที่พอท่องได้ ต้องหวาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เสมอครับกระผมจะทำตามอาจารย์เคารบอย่างงน้อมเป็นคนเคารพอาจารย์อย่างมั่นคงและเกินถ้าเธอแน่ใจว่าจำมน์บทนี้ได้แล้วจงกลับไปบ้านเถิดอาสัยมนุ์บทนี้เธอจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขเขากราบลาอาจารย์ด้วยความอะไร อาจารย์ก็อะไรเช่นเดียวกันเมื่อเขากลับมาถึงบ้านมารดาทราบข่าวนั้นก็รีบมาต้อนรับอย่างตื่นเต้นยินดีการที่ลูกกลับจากสำนักตักกีลานั้นเป็นความปลาบปลื้มอย่างใหญ่หลวงของพ่อแม่ลูกได้วิชาอะไรมาบ้างได้มนมาบทหนึ่งครัแม่ตา้จริงลูกแม่ไปเรียนั้งหลายปีได้มนมาแค่บทเดีเยวแหละ ท่านอาจารย์บอกว่าด้วยมนต์หมดดีลูกจะเลี้ยงชีวิตไปได้โดยผ้าสุขครับแม่ไหนลองว่าให้แม่ฟังสิเด็กหนุ่มว่าให้แม่ฟังแม่จะน่าศักดิ์ศิทธิ์จนลูกจะอาศัยเลี้ยงชีวิตได้เลยข้อความก็ธรรมดาใช่เลยเกินในลูกทำไมลูกไม่เรียนวิชาอื่นให้มากๆนะลูกเวียนเท่าไรก็ไม่จาครับแม่ลูกโมละเกิน อาจารย์ก็สงสารก็เลยให้มนบทหนึ่งอาจารย์บอกว่าจะเลี้ยงตัวได้แล้วลูกเชื่ออาจารย์หรือลูกเชื่อครับแม่อาจารย์บอกว่าสิที่เชื่ออาจารย์ปฏิบัติตามคําสอนของอาจารย์นั้นย่อมเจริญรุ่งเรืองเสมอโง่แต่น่ารักมารดาอุทานเบาๆฮึบศีสมดุดด้วยความกาณีแล้วกล่าวว่า ดูแลลูกเมื่อรู้ตัวว่าโง่ก็ควรทําตัวให้น่ารักลูกจะเอาตัวรอดได้ด้วยทีนี้คุนโง่น่ารักน่าใช้ได้ถ้างโง่ด้วยยิงด้วยแล้วก็แถมดู้ดึงอีกต่างหากแล้วเอาตัวไม่รอดการเชื่อฟังนังดาปิดาครูอาจารย์ต้องมีผลดีเสมอแม้ว่าจะมองไม่เห็นในเวลานี้แต่ก็จะมีผลดีในภายหน้า ให้หลูกตั้งใจทำตามที่อาจารย์สั่งอาจารย์ท่สาป่าโมกนั้นธรรมะจะมีวิธีการสอนสิบธแปลๆแล้วแต่ว่าท่านจะพิจารณาเห็นสมควร เจรนาพระองค์เองว่าการกระทำทางกายเป็นต้นของพระองค์มีอะไรเป็นโทษไม่ชอบคำยุบะไหมก็มองไม่เห็นกายกระทำใดๆของพระองค์ที่เป็นโทษไม่ลาพอพระไทยแต่ประกาศเดียวแต่สุบิตรับไปว่าธรรมดาบุคคลย่อมไม่คอยมองเห็นโทษของตนเองแต่คนอื่นอาจมองเห็นเราจะลองสมุวจวประชามติที่มีทัศนคต่อตัวเราว่าเป็นประกาศใด หาว่าเราจะไปด้วยเกียรติยศแทงพระราชาก็จะทราบข้อเท็จริงไม่ได้เราควรปลอมไปในลักษณะที่ชาวพระนครไม่รู้จักธรรมด า, าชาวเมือง น, นั้นมันหน้ารับประทานอาหารในเวลาเย็นก็มักจะนำเรื่องต่างๆมาสนทนากันถ้าเราคลากราดโดยไม่เป็นธรรมคนทั้งหลายก็จะพูดกันใ น, า น, านตํานองตำหนีติเตียนเมื่อทรงมิเช่นนี จึงปลอมพระองค์เที่ยวปะปนไปกับฝูงชนเสมอและแม่ในชนบทก็สเสด็จไปค้ามที่ไหนก็แสดงตนเป็นอคันตุกะขอเข้าพักอาศัยและรับประทานอาหารร่วมกับประชาชนของพระองค์ที่นั่นคลื่อนหนึ่งสเสด็จไปที่บ้านของมานพคนนั้นทอดพระเนตรเห็นพวกโจรพวกหนึ่งกําลังย่องเข้าไปนในบ้านของหมู่น้อยพระราชาแฝงพระองค์สิที่ข้างฝาเรือน ในขณะที่ปรกโจรกำลังรวบรวมสิ่งของต่างๆอยู่นั่นเองมาเล็กน้ก็เติบขึ้นเล็กขึ้นได้ว่าอาจารย์สัง่งไว้ว่าให้ท่องมนที่เรียงมาทุกๆโอกาสที่พอจะทําได้เขาจึงท่องมนขึ้นมาคาเตสิคาเตสิกิงกาลนาคาเตศิกอา่างปิตังชานามิชานามิท่านพยายามอยู่ท่านพยายามอยู่ท่านพยายามอยู่ ท่านพยายามทำไมเรารู้เรารู้พวกโจรเข้าใจว่าเจ้าของบ้านเห็นการกระทำของตนจึงทิ้ ง, งหอสิ่งของและว่งห น, นีไปเช้าวันรุ่งขึ้นพระราชาจึงรับสั่งให้ราชบุรุษไปนํามานกไลคนนั้นเขา้าเ้ารับสั่งถามว่าพ่หนุ่มเธอไปเรียนเสียปากมาจากสำนักของตักกศิลาหรือพยาค่ะ เรียนอะไรมาบ้างเขากราบทูลพระราชาตามความเป็นจริงทุกอย่างเราขอเรียนต่อจากเธอบ้างจะได้ไหมได้พยาขาแต่ข้าพระพุทธเจ้าจะต้องขอทูลขอพระบรมราชาอนุญาติบางอย่างอะไรล่ะคือขณะที่พระองค์ทรงเรียนมนต์พระองค์จะต้องประทับนั่งในที่เสมอ ก, กันกับข้าพระพุทธเจ้าได้สีพนุ ไม่เห็นยากเลยพระราชาเรืองมวลจากมานบกันแล้วพระราชาทานทรัพย์ให้เขาพันหนึ่งเป็นการบูชาอาจารย์ในครั้งนั้นมีเสนาบดีคนหนึ่งของพระราชาหรือความเชยที่านสูงอยากจะกลงพระชนมพระราชาและเป็นพระราชาเสียเองเขาได้ตกางานให้แก่ช่างกรระบบประจำพระองค์พันหนึ่งและบอกว่า ให้ข้าพระราชาเสียในขณะที่โกนพระพมศุขเมื่อเขาได้เป็นพระราชาแล้วเขาจะแต่งตั้งช่างคารระบบให้เป็นเสนาบดีช่างคาระบบรับคําเพราะกินเหยื่อคือสินจ้างของเสนาบดีเข้าไปแล้วแกไม่ได้คํานึงว่าคนอย่างแกจะเป็นเสนาบดีได้ไหรือม่มีคนอยู่เป็นจำนวมากที่มีลักษณะคล้ายช่างคารระบบคนนี้ คือให้นตำแหน่งอะไรดีๆมีอำนาจบังคับบัญชาเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติก็อยากได้อยากเป็นโดยไม่ได้คำนึงว่าตนจะรับภาระในตำแหน่งนั้นได้หรือไม่ตนจะมีความสามารถพอหรือไม่จะนำตัวเองไปฝังขึ้นในตำแหน่งนั้นหรือไม่คนโง่มักแย่งตำแหน่งกันคนฉลาดต้องให้ตำแหน่งมหาสุนัขหิว มันมีอาหารวางอยู่บนหน้าก็แย่งกันกัดกันบางทีอาหารนั้นก็ช่วยกระจายไปหมดไม่ได้กินสักตัวกัดกันเจ็บเปล่าอาหารก็ไม่ได้กินส่วนพยาโคจรสานั้นจะกินอ้อยสักลังก็ต้องอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนอีก ชั่วให้พินาศไปเหมือนไม้เปลือกแข็งมีผลเพื่อเบียดเบียนตัว น, นเองนี่คือพระพุทธธรรมเมื่อได้เวลาโกนพระมสยุช่างกายบกนั้นรับมีดอย่างดีมาแล้วกำหนดว่าจะตัดก้านทรสอให้ขาดไปฉับเดียวแต่เพราะความไม่เคยมือจึงสัน่นวาดวานอยู่มากอันหนึ่งธรรมดาพระราชาผู้ทรงธรรมหาก็ใส่ คาาไอ้ชายกระบบแค่แจะพิสูจน์แม้ว่าคำพูดของข้าเป็นความจริงหรือไม่สุดแล้วแต่จะโปรดเถิดเพยค่ะเอาเป็นตกลงข้าจะพิสูจน์ให้แกดู แต่แกต้องทําตามคําสั่งของข้าทุกอย่างแกจําไว้นะแกต้องทําตามคําที่ข้าสั่งทุกอย่างข้าอยากให้แกรู้จักคนทัทีพระราชาทรงบอกอุบายชังปวงแกช่างคาระบกแล้วรับสั่งว่าแกไปเอาเลือดไก่ที่ห้องเครื่องที่เาขาฆ่าใหม่ๆมาถ้วยหนึ่งแล้วราดให้เติมไว้ที่พื้นห้องอย่าลืมทาที่คมมิโกนของแกด้วยช่างการะบก ถือมีดมื่งเลือกหลักออกไปไปไม่ไกลนักก็พบเสนาบดีสวนมาเพราะเขาฟังข่าวนี้อยู่ด้วยความกระวนกระวายใจเมื่อเห็นช่างการบกุกมุ่งเลือกหลักไปอย่างนั้นก็ปราดเข้ามาจับข้อมือสำเร็จหมสายัสสำ็จแล้วลางคอผาเก้าอี้อยู่ชับเดียวตายเลยช่าง ก, การบุกต้องทําหน้านลืกลักเสียงสัน่นเพอได้ฟังดังนั้น เสนาบดีก็สั่งทหารผู้ติดตามตนมาห่างๆให้จับกุมช่างกระบอกทันทีจับข้าพเจ้าทำไมเช่างกระบกถามหน้าตื่นไอแม่โง่แกต้องรับว่าแกฆ่าพระเจ้าอยู่หัวถ้าแกทรยศมาถึงข้าข้าจะทรมานแกให้ตายไปทีละน้อยข้าจะแหนดเนืเแกเอาเกลือทาเทียชิ้นถ้าแกรับเสด็ดีว่าแกโกรธเคืองพระเจ้าอยู่หัวเป็นเรื่องส่วนตัว แล้วแกจึงโปรยพระชนเข้าจะฆ่าแกโดยไม่ทรมานฟันด้วยดาบฉับเดียวแกก็าตายอย่างมีความสุขไปไปที่เกิดเหตุข่าวเรื่องพระราชาถูกช่างกระบอกโปรยพระชนแพร่สะบัดไปอย่างรวดเร็วภายในราชาสํานักทหารราชองครักษ์หลายนายได้มาถึงสถานที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเสยนาบดีแต่ไม่มีใครกล้าจับต้องพระบรมศพ อ克拉นาหะอมาตผู้ทรงธรรมเช่นเดียวกับพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาถึงในขณะนั้นพระราชาบรรทมพระสอภาเกลียอีพระสอตกลงทางทิศเบื้องหลังมีอลอยพระโลหิตที่ก้างพระสอท่านอ克拉ราหาอมานข้าพเจ้าจับกุรายได้แล้วม่คนี้ข้าพเจ้าเข้ามาเพื่อเฝ้าพระราชาเห็นช่างกระบกยื่งหน้าเละเลกออกไปมีพิรุษ ข้าพเจ้าจึงให้ทหารจับตัวไว้และค้นก็พบมิตโกนกําลังป้นเลือดข้าพเจ้าเห็นว่าควรฆ่าคนโหดร้ายคนนี้ให้ตายตามไปรับใช้พระราชาและแปโลกด้วยและข้าเดียนีใช้ความเสนาพดีข้าพเจ้าอยากสักถามช่างการบกก่อนแล้วมหาอมาตยิ่งถามช่างการะบกว่าอะไรอยู่เรื่องหลังแห่งการกระทำของเขา เสนาบดีเสนาบดีทุกคนจ้างข้าเจ้าให้เปลงพระชนพระเจ้าอยู่หัวไอน้นางโง่เสนาบดีตวาดแกจะต้องตายอย่างทรมานแกจะต้องตาย ที่ย0สบหักการบัวและหล่ชีวิตพระราชาค่อยลืมประเลิศขน ท, ทีละน้อยพระเสียงค่อยๆตั้งตรงขึ้นทุกคนตะลึงปรนึนเพลิด ตป็นแต่ช่างกันระบบซึ่งไม่ตื่นเต้นเพราะเขาทราบล่วงหน้าอยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมืพระราชาตั้งพระกายถรงทุกคนก็ก้มรวมถวายบังคมพระองค์ทรงกวาดสายพระเนตรไปทั่วและมาหยุดอยูที่ใบหน้าของเสนาบดีทรงยกพระองค์คุรีขึ้นองคุลีหนึ่งท่านใดนั้นทาหารรักษาพระองค์จํานวนแปดนายเข้าห้อมล้อมเสนาบดี นนัน้มีอาวุธครบครันพร้อมที่จะทําตามพระกระแสรับสั่งของพระราชาพระราชาทัิก ร, ราชทรงให้ช่างการระบบเล่าวเรื่องทั้งกวงอีกครั้งหนึ่งและวัดถามเสนาบดีว่าตามที่การระบบกล่าวมานั้นจริงหรือไม่เมื่อเสนาบดีทูลรับว่าจริงจึงกลัดตอบไปว่าเสนาบดีท่านไม่ได้อะไรจากล่าวบ้าง ท่านมีความขัดข้องในความเป็นอยู่อย่างไรเรามีความผิดไม่สมควรประการใดในการเป็นพระราชาท่านจีนคิดฆ่าเราเสียไม่มีพระเจ้าข้าเสนาบดีทูลเสียงสั่นหน้าทีเ่เผือด้วยความกลัวพระราชาอาญาพระองค์ทรงสมบูรณ์โดยทศพิตรราชธรรมทุกประการทรงชดเลืงข่าพระพุทธเจ้าอย่างดีท่านทราบเปรียเกตยศ เป็นความทะเยอทะยานของข้าประพุทธเจ้าเองพะยะค่ะใอ้การบกจะรู้แล้วหรือยังคั้นที่ข้าพูดเป็วความจริงหรือไม่ถ้าแกฆ่าข้าได้สำเร็จเสนาบดีจะตั้งแก่เป็นเสนาบดีหรือว่าจะฆ่าแก่ช่างการบกมองลมแท้ประบาดของพระราชาจุ่มพิกประบาทขอ ง, ราาง พ, พระอ ง, รองค์ด้วยน้ําตาหลายพลาคด้วยความตื้นตัน ในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวและทูลรับว่าที่พระองค์กลันั้นเป็นความจริงทุกประการพระพุทธเจ้าข่าการระบบและท่านทั้งหลายที่มาประชุมคณะที่นี้ท่านทั้งหลายจงจำไว้เถิดว่าคนที่ร่วมกันประกอบกรรมชั่วนั้นจะเป็นมิตรที่ดีต่อกันไม่ได้หากได้บ้างก็ม่อย่างยืนพระต่างก็ระแวงกันไม่เชื่อกัน มิตรภาพจะตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความชั่วไม่ได้นานความชั่วเป็นสิ่งที่มีลักษณะทำลายไม่ใช่สร้างสรรค์หากปรารถนาให้มิตรภาพย่างยืนจะต้องร่วมกันประกอบกรรมดีที่ระลึก ถ, ถึงแล้วสบายใจด้วยกันทุกฝ่าย ผิดของท่านครั้งนี้ใหญ่หลวงนักโทษคอท่านถึงตายแต่ความดีท่านก็ได้ทําให้กับแผ่นดินมากเราจะให้ชีวิตท่านแต่ท่านจะอยู่ในแครนกาสีเลยให้ออกจากแควรนกาสีอจนเป็นเขตปกครองของเราตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพระราชาทรง ร, รัต ถ, ถิอุปการะของมานพผู้บอกบนแก่พระองค์จึงรับสั่งให้เข้าเฝ้าตรัสว่า อาจารย์ข้าพเจ้ารอดชีวิตครั้งนี้ได้เพราะอาจารย์โดยแท้ข้าพเจ้าขอมอบตำแหน่งเสนาบดีให้อาจารย์แล้วทรงกระทำสการะแก่อ า, ายาเป็นอันมากเพระาศาสดาสรงเล่าเรื่องนี้จบลงแล้วจรัสว่ามานพต น, นการนั้นคือจิละันถุกในบนัดนี้ส่วนอาจารย์ที่สาปาโมกคือเราจะาตหคุณที่เองภิกษุทั้งหลาย ใน่านการก่อนชูแลปังถุกก็เคยเป็นคนมงวมาแล้วแต่ได้เราเป็นที่พึ่งจึงสามารถดำรงตนให้อยู่ในโลกย่าสมบัติได้อย่างดี เกิดเป็นเศรษฐีชื่อจุลกะเป็นผู้ฉลาดในการดูดาวและความเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้าอับอกเหตุกับชาวดินครั้งนั้นจุละปังโถกเกิดเป็นคนรับใช้ของเราเราให้เขาตั้งตัวได้ถึงขั้นเป็นเศรษฐีเริ่มต้นด้วยการขายหนูตายเพียงตัวเดียวแค่คนเลี้ยแมวพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลผู้มีปัญญาแหลมคมย่อมตั้งตนได้แม้แ้วก้นทุนเพียงเล็กน้อย เหมือนกองไฟใหญ่เริ่มจากกองเล็กๆฉะนั้นพิกษุทั้งหลายในกำลองเดียวกันพิกษสูงที้มีความเพียรสม่ำเสมอไม่ท้อทิ้งย่อมมีโอกาสได้รับโลกุตรธรรมอันประเสริฐเป็นการสร้างที่พึ่งให้แก่ตนที่น้ำคือกิเลสทั่วไปถึงด้วยความขยันหมั่นเพียรความไม่ประมาทความสงบสุนรและความข่มใจฝึกตนคุณธรรมเหล่านี้ ย่อมนำผู้ปฏิบัติไปสู่แดนเกษมจากโยคะคือกิเลสมีความสงบเย็นเป็นผลอัย่างยืนอีกครั้งหนึ่งมีเรื่องตำนางเดียวกับพระจุลบันทุกพระศาสาศดาทรงประทานอรหัตผลแก่พิสุมหมุลย์รป่ยเลิกสุรูปนั้แปลงเป็นบุตรในเช่าทองมีรูปงามอย่างยิ่งบวดเป็นศิษย์ของพระสาหรีบุตรพระเ ถ, าถราคิดว้าธรรมนาคนมนนั้นย่อมมีราคาแรง จึงบอกอสุภาคกรรมฐานเพื่อพิฆาตราคาให้สิ้นสุดพระเถระได้รู้ว่าอาสุภาคกรรมฐานไม่เป็นสปายะแกพิสุภุมรูปนั้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเข้าสู่ปาพยายามอยู่ถึงสามเดือนก็ไม่อาจทําจิตใจให้สงบได้จึงกลับมาสู่สมณของพระเถระอีกโดยเรียนให้พระเถระทร า, าบว่ากรรมฐานไม่ปรากฏเลย พระสารีบุตรได้บอกกรรมฐ า, านให้ใหม่ อ, อีกบอกให้อย่างดีละเอียดละออพร้อมทั้งเหตุและอุปมาท่านภิกษุรูปนั้นเข้าไปสู่ตาพิญญาใหม่ตาผู้ภัยละตอรติดแคจพักคับกัลภิกษุกระขาย ร, รกักเนาะในการบรรลุคุณวิเศษอันสูงขึ้นไปโดยลำพังตนเองสรงทสราบว่าเธอไม่สามารถจึงทรงอธิษฐาในให้ดอกบวัวนั้นเหี่ยวดอกบวัวนั้นเหี่ยวลงเหี่ยวลง สีอสีเสมมถูกขยำด้วยมือพิสุนนั้นออกจากยางมองดูดอกบัวเห็นแนละ้วอุทานออกมาว่าโอ้ดอกบัวนี้มีความคลําค่้าปรากฏเสียแล้วหรือหนอในสิ่งนั้นเป็นอนุปาทินกะไม่มีใจคลองยังเป็นไปได้ถึงป่านี้สิ่งที่มีใจคลองเล่าจะเป็นอย่างไรได้เห็นแจนะ้งแล้วซึ่งอ น, นิจจลักษณะ ของสิ่งท right ั <PAUL Meeting. S 2> <The> ้งปวงเมื่อเห็นอนิจจลักษณะทุกขลักษณะก็เป็นอันเห็นด้วยเมื่อเห็นทุกขลักษณะอนัตตลักษณะก็เป็นอันเห็นด้วยและบัตนั้นพบทั้งสามคือกามมพจรูปะพจและอรูปะพจก็ปรากฏเจตท่านสมนณีเพลิงโชนอยู่ทั่วอัตภาพนี้ปรากฏสมนมีซากศกแขวนอยู่ที่คอตลอดเวลา ขณะเดียวก็นั่งมีเด็กปนนันมากลงเล่นในสะแล้วก็หักก้านดอกบัวขึ้นมากองไว้เกลื่อนกลนเมื่อไดในน้ำดอกบัวเหล่านั้นก็เหี่ยวแห้งไปภาพนั้นปรากฏแก่ท่านชัดขึ้นอีก ก็จะถึงความสมงบเย็นคืนนิพพานพระผู้มีประภาครงสานอีกเป็นอเนกปริยายเม่จบลงภิกษุนั้นก็บุญอรหัตผลพระพุทธองค์ทรงอุบัติมาเพื่ออนุเคราะห์โลกโดยแท้ครั้งหนึ่งมีเด็กหนุ่มตระกูลพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีคนหนึ่งติดใจหลงไหลในพระรูปโฉมของพระผู้มีประภาคเป็นหักหนา เมื่อพระองค์เสด็จออกปินฑบาตในยามเช้าเขาจะเที่ยวติดตามดูทุกคนทุกแห่งไม่อิ่มไม่เบื่อเลยงานเข้าก็คิดว่าวิธีที่จะได้อยู่ใกล้ชิดพระศ า, ศาสดาสเสมอนั้นก็คือต้องบวชเขาจึงทูลขอบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงพระพุทธานิญาตตามความประสงค์เขาบวชพระหลงไหลในพระรูโฉมของพระผู้มีพระภาคโดยแท้ตั้งแต่บวชแล้ว ก็ไม่เป็นอันบำเพ็ญสมรกิจใ ด, ดๆเลยคอยยืนคอยนั่งในที่ที่จะเห็นพระาศาสดาได้และเที่ยวติดตามไปทุกวนทุกแห่งท่านฉังติดใจในรูปีะจริงๆติดในรูปไม่เพียงแต่พิสูจน์ุมชื่อวัากลิณ้ดอกบุคคลทั้งหลายอื่นเป็นอันมากก็ติดอยู่รัพวพังอยู่ในรูปที่สมมติกันว่าสวยงาม น, นี้มันเป็นบวงอันหนึ่งที่คล้ะสัตว์ถลายไว้ในภพ เป็นเหยื่อชิ้นหนึ่งที่รอกล่อให้สัตว์ทั้งหลายกะย็ะดือกระหอบตามจบลงด้วยความเหน็ดเหน่อยไร้ประโยชน์ผลได้ไม่คุ้มผมเสียมีบุคคลเป็นอันมากได้เสียคนมาเพราะรูปเป็นเหตุต้องถูกจองจาทงโทษต้องประกอบกรรมชั่วอันมีผลเผ็ดร้อนเพราะรูปเป็นเหตุมองดูอย่างลึกซึ้งแล้วรูปมีความไม่สะอาดอยู่เป็นอันมาก ผิวหนังเท่านั้นที่ ห, อห่อร่วมความไม่สะอาดทั้งปวงไว้ถึงกระนั้นมันก็ซึมออกมาให้ดูอยู่เนเมือ ง, องพระศาสดาทรงทราบเหมือนกันว่าเพราะวาัคคิที่ติดตามพระองค์อยู่เพราะความติดในรูปแต่ทรงคอยให้พยานของพระวัคคิลนั้นแก่ก้าเสีก่อนจึงทรงนิ่งเฉยไม่ว่ากล่าวตักเตือนแต่ประการใดน้นออยพาตัดโรค บ, บางอย่างคอยให้โรคนั้นแกเ่เต็ที่ ควรจัดการผ่าเสียก่อนแล้วจึงนมือผ่าตัดลดความกระหายพอใจในรูปเสบ้างความร้อนกระหายก็จะลดลงความดุ่นรนทุกร้อนก็จะลดลงตาม พระพุทธมีพระภาคทรงทราบว่าญาณของพระวคกลิแก่กล้าพอจะรับพระธรรมเทศนาได้แล้ววันหนึ่งจึงตรัสว่าวักกลิเออยประโยชน์อะไรได้วยการเที่ยวตามโลกายที่มีแต่ความเปผยเน่าวผุพัง น, นี้จงดูธรรมประพฤติธรรมสิวคกาลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรม เพราะคฤห์แม่อันพระผูมีพระภาคตรัสเกี่ยนี้ก็ไม่อาจหยุดการเที่ยวตามดูพระศาสด า, าได้ทำได้อาจไปในที่ใดอันห่างจากพระศาสดาได้เลยมีบางครั้งเหมือนกันที่ท่านยามเสลี่ทางจากพระผู้มีพระภาคเพื่อยอยู่ในที่สำนักวิเวกอันเหมาะแก่แพทยสมณะท่านรู้สึกเหมือนกันว่าเป็นความเหน็ดเหนื่อยวุ่นวายไม่ใช่น้อยในการที่ท่านต้องตามดูพระศาสด า, าไปทุกหัุกแห่ง ท่านอยากจะเปลี่ยนตนออกแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านเองก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคอยเหนื่อยรังทำไมก็จะอายสิ่งเล่านอกจากความรักความเสน่หาเพราะขลิซจะรู้หรือไม่ก็ตามสิ่งนี้มนเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลใดมันย่อมเดียวรังบุคคลนั้นให้วนเวียนอยู่ไม่อาจปลาบไปได้จนก ว, ว่าจะตัดมันได้อย่างเด็ดขาด มันเป็นสายใหญ่ที่เหนียวแน่นมั่งคงบางทีก็กลายเป็นแทะเชื่อมหัวใจคนให้ยับเจินบางทีก็เป็นสม น, น้ําทิพย์เฉลมใจให้ชื่นบานหลังจากที่ทรงโอวาทพระมิคฤตเป็นครั้งแรกแล้วพระผู้มีพระภาคก็สรงตั้งขอสังเกตต่อไปเพราะองค์ทรงเห็นว่าพระโอวาทที่มั่นดวงนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เลย ไปทำให้พระวัคคะลิสำเว็จสลดใจแต่ประการใดเลยเธอเป็นม้าที่ต้องงูแางแรงพอดีจวนถึงวันเขา้าพรรษาพระผูกมีพร ะ, พระภาเสด็จสูนครราชเกลืไม่ต้องสงสัยเลยพระวัคคะลิต้องตามเสด็จด้วยและในวันเขา้าพรรษานั้นเองพระพุทธองค์ได้ตรัสกล่พระวัคคะลิว่าวัคคะลิลืมไปเสด็จตั้งแต่วันนี้ไป ถ้าอย่าได้เห็นเราและเราอย่าได้เห็นเธอเพราะพุทธธรรมนั้นี้รุงแรงมากสำหรับภวิคริที่ในใจผูกพันอยู่กับพระศาสดามีความหมายเท่ากันหรือยิ่งกว่าชายหนุ่มผู้โรมาผู้หญิงสาวอย่างหมดเม่หมดตัวแล้วถูกใกล้ไม่ให้พบอย่างไร้เยื่อใยต้องตายเห็นความผิดหวังหลายพากของอาบแก้มของพระวิคิ ท่านถวายบางคนพระพู้มีประภาคแล้วถอยห่างออกไปโดยไม่ได้ทูลอะไรเลยแม้แต่คาเดียวเขาจะชนได้หยดตรสู่จีวนผืนบางซึ่งสัน่นน้อยๆท่านงไหยขึ้นศพพระแนตพระพู ม, ะพมีประภาส ค, ครั้งหนึ่งในตานั้นฉายแววแห่งความสื้อแล้วจนรักตลอดชีวิตที่ผ่านมาท่านรู้สึกว่าไม่เคยประสบทุกข์โทมนัสอันใดมากเท่าครั้งนี้เลย ใจของท่านนั้นเต็มต้ด้วยความผิดหวังท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้ว พลิไม่ได้เฝ้าพระศาสดาเลยจิตใจของท่านเลื่อนลอยดวงหน้าเศ้าหมองในตาร่วงโรยไหลแห้งบางคืนท่านนอนไม่หลับพลิกไปพริกมาก็สับกระสายด้วยความคุ้มเนื้อถึงพระศา ส, สดาและกลางทีนั้นอาสุชนก็ไหลายลิม่มลงอากแก้มอีกวันเวลาร่วงไปความสู้พร้อมร่วงโรยก็ติดตามท่านไปอยากก่างกระชั้นชิดในที่สุด ท่านกิปรารบกับตนเองว่าวะคลิเจ้านั้นบวชอุทิศองค์พระบรมศาสดาแต่พระองค์ไม่ั ย, ยดีด้วยเลยไม่ยอมตรัดด้วยไม่ยอมให้ข้าวเฝ้าเมื่อเป็นนางนีการบวชเขาเถือจะมีประโยชน์อันใดเจ้าจะมีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์อันใดความตายนั่นแหละประเสริฐที่สุดสำหรับเจ้า ตัดสินใจแน่นอนว่าจะขอตายวันหนึ่งจะขึ้นสู่ภูเขาคิชโกด์ ต, ตั้งใจว่าจะกระโดดลงจากเนินผาเสวนาทีที่พระวัคคลิกําลังตัดสินใจนั่นเองพระผู้มีพร ะ, พระภาคผู้ทรงอนุเคราะห์โลกรู้เหตุการณ์ทั้งปวงโดยตลอดจึงทรงเปล่งพระสีกระดประทับเย็ยนอยู่นะเบื้องหน้าของพระวคคลิพรานกล่าวว่าวัาคคลิ อย่าเลยกรรมนี้หาควรแก่เธอไหมวัคคลิเออยชีวิตนี้จะมีประโยชน์แก่เธอหาน้อยไหมหากเธอรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ดูก่อนวะะัคคลิความผิดหวังและความพัดพลากนั่นเองทําให้เธอได้ทราบว่าชีวิตครุกค้าวอยู่ด้วยอะไรควรดําเนินชีวิตอย่างไรลําดับนั้น ความโศกอันยิ่งใหญ่ของพระวักขลิศได้หายไปสิ้นเพียงจะได้เห็นพระผู้มีพระภาคเท่านั้นเพื่อยังปีติปลาเมอดของพระวักขลิศให้เต็มบริบูรณ์พระนึงอุตกขาราลังจากนภาอากาศสู่สาแห้งให้เต็มด้วยน้ำพระผู้มีพระภาคกล่าวว่าตีโศกผู้น่าประทุปราโมอดเรื่อมสายยิ่งแล้วในพระพุทธศาสนาพึงบรรลุทุทางสงุบ เข้าไประงับสังขารทั้งปวงและเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้แล้วทรงเหยียดพระหัตถ์ออกเพื่อพระวคคิลพรางตรัสว่ามาเถิดวัคคิอลอย่ากลัวเลยจะมองดูตถาคตเถิดเราจะยกเธอขึ้นจากลมคือกามเหมือนช้างที่จมในโคลนแล้วถอนตัวขึ้นได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งมาเถิดวัคคิลอย่ากลัวเลย จะมองดูตถาคตเราจะยกเธอขึ้นจากเมฆหมอกคือกามเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆในราตรีเป็นช่างชื่นใจอะไรที่ป่านั้นสมนพืชที่เหี่ยวเฉาจนจะล้มราบลงทาบดินได้รับน้ำและปุ๋ยมีแสงอาทิตย์าสาดส่องก็ค่อยเพเยื่อลต้นพร้อมที่จะดํำรงชีวิตต่อไปได้เราะาคาริขจานั้นท่านระบรูว่า เราได้เห็นพระทศพลแล้วเราได้เห็นพระทศพลแล้วโอ้ช่างโชคดีอะไรชนี้ซ้งพระองค์ยังตรัสว่ามานี่เถิดพระคาลิอย่า ก, กลัวเลยชีวิตเรามีความหมายแล้วด้วยอาการอย่างนี้แลปราโมตจะเกิดขึ้นยังไหหลวงแก่พระวาคารินั้นท่านขมปิติปาโมตแล้วพิจารณาพระดำรัสของพระศาสดา ได้บรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายถวายบังคมพระตถาคตเจ้าแล้วยืนอยู่ใกล้พระพุทธองค์นั่นเองบัดนี้ท่านได้ลืมรถอมตะธรรมแล้วรถที่พระผู้มีพระภาคเคยทรงลิ้มมาแล้วและทรงยกย่อง น, นักหนาว่าเป็นเลิศท่านโดยเห็นด้วยตนเองแล้วว่าการเห็นธรรมประเสริฐและสมบูปราณีตกว่า กว่าการเห็นพระรูปกายของพระผู้มีพระภาคเจ้ามากมายนักเพราะการเห็นธรรมนี้การเดินรถแห่งธรรมนี้ได้เข้าระดับความร่านกระหายทั้งปวงรถแห่งธรรมช่วยเฉลิมดวงจิตให้สงบเ ย, บยือกเย็นยิ่งนักแล ทรงโปรดทะลุพ้นจากดวงนั้นจนได้บรรลุ ธ, ธรรมอันสงบเย็นมีสุภาพสตรีบางท่านอยู่ในตำแหน่งอันสูงสักมีความางามเป็นเลิศหลงไหลในรูป ก, กายแห่งตนแต่พระทศพลก็ทรงโปรดประทานแสงสว่างให้เห็นความจริงแห่งชีวิตได้เช่นพระนางเขมาอัคราชายาของพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาแห่งแวัยมคต พระนางเคา ม, ามีลูกงามยิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความชื่นบานของผู้โดยดูได้เห็นทรงหลงรูปของพระนางเองจนวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงมีเรื่องต้งทางเกี่ยวกับการบำ ร, รุงความงามเป็นส่วนใหญ่แม้พระเจ้าพิพิสารพระราชสวามีผู้ได้ บ, บรรลุโสดาปติผลถวายเยรุอนารามเป็นที่ประทับประจําแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าในพิสุสาวกแม้ประชาชนชาวนครราชเกลืา ทั้งกษัตริย์พราหมณ์ไฟสยะสูตรและรวมทั้งจางทานต่างเริ่มใสในพระธรรมของพระพุทธองค์นี่นักทุกๆเวลาเย็ยนชวนกันมีดอกไม้และปานะชลิตต่างๆในมือมุ่งสู่วิหารเวรวันเพื่อสดับพระธรรมเทศนาบางคนเพียงได้เห็นพระผู้มีพระภาคเท่านั้นก็ประโลมใจไปทั้งวันแต่พวกนางเขมาไม่ได้เคยเสด็จไปเวรวันเพื่อสับพระธรรมเทศนาเลย ทั้งนี้เพราะพระนางทราบว่าพระพู้มีพระภาคทรงตนิรูปทรงพระนาความมงามของรูปชี้เห็นความศักดิ์สิทโคร่อกของอาจาัจฉริยภาพร่างกายอันน่ารังเกียจไม่ควรติดใจหลงใหลในกายนั้นด้วยประการะะนี้พระนางจึงไม่ปรารถนาที่จะเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเพราะเจ้าปิพิสานทรงทราบเหมือนกันว่า พระมเหสีทรงมัวเมาในพระรูปความพระนางเองมีพระราชประสงค์ใช้พระนางคล้ายความมัวเมาในรูปสมบัตินั้นจึงทรงวางอุบายให้นักดนตรีและนักร้องประจํำราชสำนักร้องพเพลงคลา ด, ด้วยเสียงดนตรีพรรณ น, นาถึงความงามในความรื่นรมแห่งเวรุ่นารามเนื้อร้องและเสียงดนตรีนั้นไพเราะ อ, อีกนักแววมาตามกระแสลมสู่ห้องบรรทมของพระนางเขมา เช่อมบลาลพไทยจนกระทั่งบ่ายมากถึงเวลาแสดงทางโปรดพุทธบริษัทประชาชนมาประชุมกันพร้อมมารมสภาพระนาเคมา อ, าอัครมเหสีเสด็จมาถึงที่นั่นแล้วและในเวลาเช่นนั้นจะเสด็จกลับโดยไม่สดับพระธรรมเทศนาก็เป็นการเสียพระจริยาเกินไปในฐานะที่สรงเป็น จ, จอมารีแห่งมคตวัดจึงเสด็จไปประทับฟังอยู่ห่าง ทรงบง่งนามด้วยนามจึงเนรมิตรรูปหญิงงามคนหนึ่งนางกว่าพระนางเข ม, มามากให้ยืนถือพัดก้านตาลพัดพระองค์อยู่ใกล้ๆพระนางเข ม, มาได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงงามิตรนี้แล้วทรงตะลึงและรำลึกว่าไหนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทมิรูปกราดโทษให้รูปด้วยฉนัยจึงมีหญิงงามยืนพัดอยู่ใกล้ๆในขณะที่ทรงแสดงธรรมงามลืเกิน ทุกส่วนเท่าที่มองติอะไรไม่ได้เลยความงามของเราเทียบไม่ได้แม้แต่เพียงครึ่งหนึ่งของหญิงผู้นี้ใครหนอช่างงามเหลือเกินล้วไม่เคยเห็นใครงามเท่านี้เลยที่ว่าพระาาสารนาาทรงตหนิรูปพรมเกียรติกายแห่งสตรีนั่นเห็นจะ ก, กล่าวการผิดผิดเสร็จแล้วพระนางทรงบำบัดเชนนี้แล้ว จึงไม่ได้สนพระไัยฟังพระกระแสพระพุทธลัมหลัดเยือนจ้องมองแต่รูปนั้นเท่านั้นพราะสมงมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบวาลจิตของพระนางแล้วเพื่อจะให้สานเณรสดพระไทยจึงทรงดรามิดให้นานั้งค่อยๆแก่ลงทีละน้อยทีละน้อยจนฟันหักแก้มตบผมหมอหน้งหดเหี่ยวทั่วกายสพาะพังไปด้วยเส้นเอ็นและกระดูกหลังโกงซิโครงเหมือนกรอเรือน พระนางเขมาได้ทอดพระเนรเห็นความเปลี่ยนแปลงต่อหน้าต่อตาเช่นนั้นก็รู้สึกสเพระไถยพระนึกถึงพระรูปกายของพระนางเองว่าน่าจะต้องจบลง่อนี้เหมือนกันเพราะหารุถัยก็อ่อนลงความหลงเริ่มจางไปเพ่อผู้มีประภาคทรงทราบวาแจิตนั้นจึงทรงเดรริษให้พระนางเขมาเห็นอยิงนั้นเจ็บนหนักล้มลงร้องควนคลางทับโูนลกิของตน อีกครู่หนึ่งก็สิ้นใจทรงนารมทิที่เห็นว่ า, ากายนั้นขึ้นพองมีน้ําเหลืองน้ําเน่าไหลออกจากร่างกายมีหนอนคลานเข้าคลานออกม้วนเยื่อเป็นผงูงในที่สุดเลือนั้นก็น่าเสกเห็นกระดูกสีขาวพระนางเขามาเห็นรูปนั้นแล้วทรงอุทานมาบาว่าโรคปที่ลานที่ป่านี้ยังไม่ลานเลย ต้องถึงความสิ่มความส่วนปลายตาตาในรูปร่างกายนี้ไม่มีส า, าระจริงๆไม่มีอายที่จะยึดได้เลยชะนาละ อ, อีดประอาจะไมไรทําไมหนอเราจึงหลงอยู่ในป่าเห็นความขาวเป็นเวลานานโอ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระคุณเป็นอศัศารย์แท้พระชามณีทรงทราบความกำเนิดของพระนางแล้วจึงกล่าวว่า ท่าเคยคิดว่าในรูปนี้มีสาระอยู่เป็นอันมากท่านจึงหวงแหงหวงหลายมันแต่บัด น, นี้ท่านจงดูเถิดดูความไร้าสาระในรูนี้แล้วตรัสย้ำต่อไปว่าเขมาเอิดจงดูรูปที่อาดูไม่สะอาดเปล่าเน่าอังกระดกช่วยกันผาสานขึ้นมีน้อยแหล่ตึงเครือฉาบทามีสิ่งปฏิกูลโศกโครกหน้าเปียดไหลขึ้นไหลล ง, งไหลข้าไหลออกอยู่เสมอ ที่คนขาวพากัดต้องการทิ่งนักพระนางได้สะดับพระพุทธธรรมนจักรพระไทยพร้อมโดยได้เห็นร่างเหรมิตรเป็นตัวอย่างอันชัดแจ้งทรงพิจารณาตามทรงสังแว่สลดพระไทยได้เสน็จสวดาปฏิบัตแล้วนักที่นั้น มแมลงงุ่มชักใ ย, ยไว้ดักสัดและตกไปในสายใหญ่ที่มันชักไว้เองนักปราดตัดสายใยแห่งราคะได้แล้วเว้นการเกี่ยวข้องในราคะอย่างเด็ดขาดไม่มีอะไรในราคะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ความทุกข์ก็พลอยถูกละไปด้วยจบพระธรรมเทศนาอันปฏิสังยุตุ น, นิพพานพระนางเขามาได้สําเร็จอ ร, รหัสผล พระธรรมเทศนาเป็นประโยชน์แก่มหาชนอย่างยิ่งพระศาสดาตรัสถามพระราชาเป็นพิสารว่าจะให้พระนางทรงผนวตรหรือจะให้ปริปนิพานพระราชาทรงอนุญาตให้ทรงปผนวตต่อมาพระนางได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นพิสมีผู้เลิ่ทางปัญญาในกาเกร้าเาชคลื่นั่นเอง เช้าวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จเอาปิณฑบาทได้ทอดพระรเนตรเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อสิงการกำลังไหว้ทิศอยู่จึงเสด็จเข้าไปใกล้และตรัสถามว่าพอหนุ่มเธอไหว้ทิศทั้งหลายเพื่อประโยชน์อันใดหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐก่อนบิดาของข้าพเจ้าจะสิ้นใจได้สั่งข้าพเจ้าไว้ว่าให้ไหว้ทิศทั้งหกคือทิศเหนือใต้ ตะวันออกตะวันตกทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างท่านบอกว่าเมื่อไหวทิศแล้วจะเป็นมงกลมเกตุวัวพระเจ้าข่าดูนิพนุ์เธอเป็นลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่แต่เราเกรงว่าเธาจะตีความหมายของคำ ว, ว่าทิศนั้นผิดไปกระมังพระองค์ทรงหมายความว่าอไรพระเจ้าค่ะดูก่อนมานพ ท่าทาจะไหวที่ให้ถูกต้องแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วเพื่อไหวมารดาปิดาครูอาจารย์และบำเพ็ญหน้าที่ต่อบคุคคลต่างๆให้ถูกต้องเช่นมิสหายบุตรปัญญาเป็นต้น ด้านหน้ากป็ทิศตะวันออกได้ แ, แก่มาดาปิดาบุตรธิดาผู้หวังความสุขความเจริญต้งปฏิบัตินหนี้ 1. นท่านเลี้ยมาแล้วเลี้ยงมาตอบ 2. ช่วยทากิจของท่าน 3. พยายามดำรงวงสกุล 4. ประพฤตตนเป็นคนควรไว้วางใจให้รบับทรัพย์ประดุกและหเมื่อท่านวงรับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่าน มารดาบิดาพึงอนุเคราะห์บุตรดาหาประการคือหนึ่งห้ามไม่ให้ทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสให้ศึกษาศิละปะวิทยาสหาพัญญารู้สามีที่เหมาะสมให้และห้ามอบทรัพย์มรดกให้ในสมัยอังควรทิศเบื้องขวาหมายถึงครูอาจารย์สิบพึงปฏิบัติธรรมอาการหอย่างคือ 1>, 1. ลุกขึ้นยืนต้อนรับท่าน 2. เข้าไปยืนกอยรับใช้ท่าน 3. เชื่อฟังคำตักเตือนสั่งสอนของท่าน 4. คอยเอาใจใส่ดูแลท่านไม่ละเลยทอดทิ้งในยามจาเป็นและ 5. เรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพไม่ดูหมิ่นครูไม่ว่าโดยประการใดๆอาจารย์ได้รับบำรงโดยชอบจากศิษย์นี้แล้ว พุ่มอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยอาการห้าสถานคือ 1. แ่แนะนำในทางที่ชอบ 2. ให้ศึกษาเล่าเรียนอย่างดี 3. บอกศิละปะวิทยาให้สิ้นเชิงให้ปิดตางามพาง 4. ยกย่องให้ปรากฏตบกัเพื่อนฝูงและหช่วยต้องกันคุ้มครองในทิศทั้งหลายคือจะไปในทิศไหนก็ไม่ให้ลำบาก 4. ทิศเบื้องหลังพัญญา สามีพึงปฏิบัติต่อพัญญาด้วยอาการห้าอย่างคือหนึ่งยกย่องนับถือว่าเป็นพัญญา 2. ไม่ประพฤตินอกใจ 3. มอบความเป็นใหญ่ให้ 4. ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามและห้ามเพื่อนแต่งกายให้การสมัยอังควรพัญญาได้รับประมวนอย่างนี้แล้วพึงอนุเคราะห์ปฏิบัติสามีด้วยอาการห้าสถานคือ 1>, 1. จัดการงานในบ้านเรือนดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจสามี 4. รักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาไว้ได้และหขยันไม่เก็ดคลาสในกิจการทุปวง